ตอนอบรมณโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่20ถึง22มีนาคม2560ตอนที่สองค่ะชื่อสวยนะคะค่ะ อ, อ, อยู่บริษัทสูตรคุณสุกนะคะเขา เ, เขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันมีสูตรหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยของสวยเนี่ยก็เป็นการเดินทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นการเดินทาง แต่ทำยังไงเนี่ยเดินไปเท่าไรเท่าไรเนี่ยเราก็ไม่เห็นความสุขสถทีเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์ทุกเพราะว่าเราคิดทุกเพราะว่าใจของเราเนี่ยไปยึดติดแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยวันเสวยหาคาตอบเนี่ยประมาณ20บกว่าปีที่อยู่ตรงนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เคยตั้งคำถามเลยว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาทาไมเราก็ทางานไปเรื่อย เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับการเเสพการรู้สึกว่าวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องหาอะไรทําเพื่อที่จะให้ตัวเรามีความสุขแล้ววันจันทร์เราก็กลับมาทํางานเหนื่อยเหนื่อยเนืย่อยนืยนย่แล้ววันศุกร์เราก็ไปพักผ่อนไปกินไปเสพไปเที่ยวซึ่งตรงนี้เนี่ยชีวิตมันวนเวียนวนเวนียนเราก็เรารู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยโศยก็เลยเดินทางหาสูตรที่จะทําให้เรามีความสุข ซึ่งเราก็กลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาเรื่องด้านในของตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่าโลคภายนอกของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับโลคภายในแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เลยเรารู้แต่ว่าเราเห็นโลกภายนอกอย่างเดียวนะคะแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยยคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีสูตรของการหาความสุขเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันเราก็เลยว่าตรงนี้เนี่ยเรามาจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องความสุข ว่าถ้าเกิดว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วมันกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเราก็ได้มาเห็นกระบวนการของการเช็คแอนด์แดนซ์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าสัญชาตญาณของคนเราเนี่ยคือพื้นฐานของการมีความสุขนะคะกลับมาที่ร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย เ, เขาบอกว่ามันมีปัญญาเซลล์ทุกเซลล์ของเราเนี่ยสามารถที่จะมีปัญญาถ้าเกิดว่าเราไม่เอาความคิด เราไม่เอาความรู้สึกที่เราอยากมีอยากได้เนี่ยเข้าไปนะคะทำให้เรารู้สึกว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันมีเยอะเพราะว่าเราคิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามากลับมาอยู่ที่ร่างกายเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตัวเรากลับมาเชื่อมั่นในในรากฐานของเราเหมือนเราได้กลับบ้านนะคะ เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยก็คือร่างกายของเราคือปัจจุบันขณะนี้นะคะความรู้สึกของโอยเนี่ยที่เข้าคอร์สไป네เนี่ยท well. well> ี่คุณหน่อยเนี่ยแนะนำมาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราได้กลับมาบ้านจริงๆกลับมารู้สึกว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยโยนไปให้ข้างนอกแต่เราไม่ได้กลับมารู้สึกที่ตัวเรานะคะความรู้สึกที่ที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้กลับมาบ้านละเราได้กลับมาทาความสะอาด เราได้กลับมาเห็นตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆผ่อนแล้วค่อยๆวางตัวเองค่อยๆวางความคิดค่อยๆนำความรู้สึกที่เป็นตัวเราเนี่ยกลับมาแล้วก็ความโลกปลงสบายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะคะตอนที่เช็คไปเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเราเร า, เราเข้าไปทำความรู้สึกกับอารมณ์ลบๆของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าป <drained> กติแล้วเนี <Finger. S 2> ่ยความคิดของเราเนี่ยมันก็จะวิ่ง ไปเรื่อยใช่ไหมคะจิตของเราเนี่วิ่งไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาทําให้อารมณ์ลบๆตรงนั้นเนี่ยมันออกมาเนี่ยร่างกายเราก็จะใสขึ้นเพราะเขาบอกว่าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมีความใสแล้วก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะการเดินทางของเราก็คือเราเอาเส้นทางเก่าของเราเนี่ยกลับคืนมา โดยการที่เราจะต้องกลับมาที่ร่างกายกลับมาพื้นฐานจิตใจของเราที่มันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะขอให้เราเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในอยู่แล้วการเช็คแอนด์แดนเนี่ยมันก็เป็นการที่เราเชื่อมต่อพลังชีวิตของเราเนี่ยโดยตรงเลยโดยที่เราไม่ผ่านความคิดนะคะเป็นการต่อท่อพลังของเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณนี้ช่วงท้อง ะะก็คือฐานของเราเนี่ยฐานแรกเลยคือช่วงท้องนี่แหละเพราเราขยาับขยับไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับจิตและสํมนึกของเราซึ่งเป็นความรักความเมตตาและความบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฐานกายนะมันเป็นอยู่ที่ฐานหัวพราะเป็นฐานหัวเนี่ยมันเป็นขยะทันทีเพราะว่าขยะเนี่ยมันก่อก่อลื่นเรื่อยเรืเรื่อยใช่ไหมคะแต่การเชฟแอนแดนส์เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะระบายพวกนั้นเนี่ยออกมาซึ่งทําให้เราต่อท่อพลัง เขาบอกว่าพอเราต่อท่อพลังเสร็จปุ๊บเนี่ยในเมื่อเราส บ, บริสุดแล้วเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวเราด้วยเพราะสวยเชื่ออย่างนั้นนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีพลังดีๆพลังบริสุทธิ์เนี่ยที่สามารถที่จะส่งออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆคนดีๆหรือสิ่งดีๆที่เราคิดเราฝันเนี่ยมันก็จะเข้ากลับมาหาตัวเราเองเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดท่อพลัง เชื่อมกับโลกภายนอกได้แล้วก็ฟ้ากับดินเนี่ยก็จะช่วยเรานำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุขได้เช่นกันนะคะค่ะขอบคุณต้องกับขอบพระคุณคุณเสยมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะ <c oughs> ในโลกของโรงเรียนเราเนอะก็จะได้ความคิดเห็นใน S and D ของกลุ่มพวกเราเราก็จะได้แชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะหลายๆกลุ่มในภายในโรงเรียน น, ะะน้องๆคุณครูหลายๆคนนะคะก็แชร์ประสบการณ์ตัวเองลงอยู่ใน S and D วันนี้เราได้มาเปิดนะคะเปิดได้รับฟังนะคะบุคคลภายนอกที่เขาก็ใช้เครื่องมือนี้ซึ่งพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คุ้ยเชื่อทุกคนรู้ว่าเครื่องมือนี้ดีมากและนำพาให้เรานะคะและนักเรียนของเรานะคะไปสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งตรงนั้นไม่ใช้เงิน ตรงนั้นมันหาซื้อไม่ได้และไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้และไม่มีใครมากอ๊อปหรือนำเอาไปวางเหมือนพราครูสอนภูใกล้ว่าไม่สามารถใครมากอ๊อปปี้หรือทำเป็นแพ็กเกจได้ทุกคนต้องเข้าไปอย่างเมื่อสักครู่นี้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปรู้จักกับต น, ตนของตนเองเข้าไปเจอสิ่งใหม่ๆซึ่งคนอื่นไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ การแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในองค์กรของโรงเรียนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เราก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่จะมีประสบการณ์ครูก็จําได้ว่าผู้หญิงคนนี้ครูก็จเจอประมาณครั้งที่สมของชีวิตที่เข้าไปเจอเครื่องมือนี้ แล้เจอผู้หญิงคนนี้ก่อนเจอเพ่อครูบัญชานะคะไปเจอกันที่พระรามเก้านะคะนั่นก็คือโดยการแนะนําของนาหานนะคะแล้วก็เธอปฏิบัติมาก่อนที่จะคุณครูก็จะไปเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็คิดว่าประสบการณ์ของเธอในการแชร์ครั้งนี้มีประโยชน์กับคนก่อนพิทักษ์คนเคพีเป็นอย่างมากนะคะโอเคเรามาพบกับเธอดีกว่าคุณยาค่ะค่ะเสียงสองนุ่ยดังๆให้คุณยาได้ค่ะ มีคลิปด้วยเนะาะค่ะขอเปิด One Minute ก่อนอะเดี๋ยวเป็นคลิปนี้จะเป็นโครงการนะคะที่พี่นำมาร่วมสนุกกันในองค์กรนะคะเรียกว่า one Minute Challenge ไม่น่ใจเคยดูกันหรือเปล่าเห็นไหมคะ หนึ่งนาทีมีคุณค่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้พนักงานนะคะที่เขียนให้ช่วยหยุดอารมณ์กระตุ้นให้ตื่นตัวมีสติตลอดเวลาผ่อนคลายทันที ใครๆก็ทำได้นะคะทำได้ด้วยตัวเองการได้มาอยู่กับตัวเองในเวลาสั้นๆหนึ่งนาทีก็ปลุกสติได้ขยับร่างกายเพิ่มความบ่อยในการรู้ตัวเพียงหนึ่งนาทีก็ทำให้เกิดสติสมาธิแล้วก็รู้ตัว อยู่ที่ไหนก็ทำได้ผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดช่วยละลายกำแพงเวลาน้อยแต่ช่วยได้เยอะได้สงบสติอารมณ์ ทำให้มีสุขภาพและสมาธิที่ดีอย่างสม่ำเสมอสลัดทุกสิ่งที่กังวลคลายหายละลายสารพิษในกายในรถก็ทำได้นะคะ ทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดวงจรคุณภาพนะคะทําซ้ำๆจะทําให้เราเกิดคุณภาพ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้นำโปรแกรมเช็คแอนด์แดน์นะคะไปแอปพลายใช้ในองค์กรอันคลิปนี้ก็คือเป็นการออกแบบโปรแกรมใหม่นะคะแล้วก็ทดลองให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้ลอง1 น, นาทีเพื่อให้รู้ว่าเพียง1 น, นาทีนะคะด้วยเช็คแอนด์แดน์เนี่ยก็ช่วยให้เราเนียมีสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายที่ดีได้นะคะลองเอาไปทดลองได้ ต่อไปคือพี่ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พี่ยานะคะพี่จบการศึกษาจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำงานเป็นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่บริษัทเซสเมดนะคะบริษัทนี้พี่ก็เป็นคนก่อตั้งเองเนาะตั้งแต่อายุ28ตอนนี้ก็ทำธุรกิจมา18ปีด้วยการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองตอนไอ ด้วยตัวเองล้นล้วนน่ะนะคะแล้วก็ทดลองโปรแกรมมากมายเลยค่ะที่เอามาให้พนักงานใช้เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความสุขนะคะแต่ปรากฏ ว, ว่าทำมาทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะพาเดินทางไปต่างประเทศนะคะเที่ยวกันจะรอบโลกแล้วก็ไม่เห็นจะช่วยให้แบบมีความสุขได้อย่างถาวรเลยปทีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะ่าประมาณมิถุนานะคะพี่ก็เลยเริ่มเอาโปรแกรมเ h ็คแ and ดนะคะเข้ามา ใช้ในองค์กรนะคะก็คือเราจะมีชั่วโมงก็คือวันละ30นาทีให้กับพนักงานมี3มรอบด้วยกันก็คือใช้เวลาไหนว่างก็ไปเช็คนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเช็คแอทโฮมก็คือให้หูฟังนะคะกลับบ้านเพื่อไปเช็คแอทโฮมก่อนนอนแล้วก็เก็บผลเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูไอเดียว่า เช็คแอนด์แดนสามารถปรับใช้ตลอดทั้งวันยังไงได้บ้างนะคะเป็นชื่อคลิป3 in 1นะคะเป็นเมนูที่ใช้ได้ทั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นได้ประโยชน์แตกต่างกันอันนี้เป็นการทดลองประมาณ100ตัวอย่างนะคะในเวลาประมาณ6เดือนเพื่อจะเก็บข้อมูลนะคะลองชมมี3 in 1นนะคะเมนูเพื่อสุขภาพพร้อมความสุข HAPPY AND HEALTHY m e เมนูความสุขพร้อมเสริมด้วยเมนูง่ายๆ Instant ต In ์ p อปเป s แ i n ติ e รวม3คุณค่านหนึ่งเดียวเพื่อดูแลสุขภาพกายจิตและอารมณ์องค์ประกอบสำคัญ พร้อมสร้างสมดุลให้ชีวิตกลฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วย wake menu. Light start เวกัฟเมนูไลท Start ์ทเตรียมพร้อมชีวิตในวันใหม่เริ่มต้นอยักสดสใสมีพลังคุณค่าที่จะได้รับจาก w ว k ั u เมนู u Restart เตรียมพร้อมชีวิต Warm up Wake up ให้พร้อมรับมือกับวันใหม่ b o o t ฟื้นฟูชีวิตปรับระบบร่างกายให้ทำงานเป็นปกติร i c h a r d ปลุกสติเพิ่มพลังให้ชีวิตมีกำลังขับเคลื่อนเมนูระหว่างวัน Check it all เตรียมพร้อมขณะใช้ชีวิต ให้เปิดรับความสุขกับการทำงานคุณค่าที่จะได้รับจากเมนู Check i ออ l l Relax ได้ผ่อนคลายชีวิตผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดและผ่อนคลาย ใ, ใจ Refresh ได้รับความสดชื่นเบาสบายหลังสลัดสะบัดขยะ หลังสติสมาธิพร้อมกับมาทำงานอย่างมีพลังปิดท้ายวันดีด้วย s l e e p Keen Goodnight Menu เตรียมพร้อมรับความสุขจากการหยุดและได้พักผ่อนเต็มที่คุณค่าที่จะได้รับจาก s l e e p Keen Goodnight Menu ปิดโปรแกรมที่ค้างลบข้อมูล ขยะที่ค้างค้างในชีวิตในแต่ละวัน Clear out g r e e n up ลบขยะในสมองในจิตในอารมณ์ Lock off ปล่อยวางเพื่อปลดปลอยและปิดโปรแกรมที่ค้างทั้งหมดเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง Shut down Menu g i เปิดรับความสุขเบาๆ 15-20 นาทีรับความสุขที่เพิ่มขึ้น 25-35 นาทีรับเต็มๆกับสุข strong Diary really happy menu easy happy freedom anytime anyway ชีวิตฟิตเนสฟิตเนสชีวิต โอเคค่ะก็คืออันนี้เป็นโปรแกรมที่พี่เก็บข้อมูลจากที่ให้พนักงานทดลองเนาะก็คือจะมีช่วงเช้าอะคะ่ะเราจะเรียกโปรแกรมช่วงเช้าว่า wake me up นะคะถ้าเกิดเราเอาเช a คแอนด์แดนซ์ไปใช้ช่วงเช้าอะคะ่ะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยกระตุ้นให้เราปลุกปลุกให้ร่างกายเราสดชื่นมีกำลังนะคะพร้อมที่จะลุยแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะทำงานต่อได้อย่างมีความสุข ส่วนถ้าเช็คอิ t ออฟเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราใช้ระหว่างทำงานนะคะเป็นชั่วโมง working out เนอะก็คือตัวนี้มันก็จะช่วยให้รีแลกชัดเจนมากนะคะก็คือช่วยเรื่องกล้ามเนื้ อ, อ, อที่เราเกร็งแล้วก็เครียดเนี้ยคะ่ะแล้วก็ช่วยเรื่องรีเฟซทำให้สดชื่นพนัก ง, งานทุกคนจะบอกว่าทำแล้วเนี่ยเกิดความรีแลกนะคะแล้วก็ทำให้มีสติ ได้แบบยาวนานขึ้นเพราะคนสมัยนี้จะเขาเรียกอะไรอะสมาธิสั้นเนาะก็คือตัวนี้ก็ช่ว ย, วยได้ส่วนโปรแกรมที่เราใช้ตอนก่อนนอนนะคะเราจะเรียกสล e ปคิน o ูดไนท์นะคะก็คือโปรแกรมถ้าเราเอาเอาโปรแกรมเช็แอนดแดนแล้วก็โปรแกรมที่เราผ่านการอบรมวันนี้นะคะนำไปใช้ก่อนนอนเนี่ยทดลองดูได้นะคะสิ่งที่จะได้ก็คือจะทาให้เรานอนหลับสนิทขึ้นนะคะแล้วก็ เหมือนมันเหมือ น, ม, นมันได้เคลียร์คลีนเอานะคะข้อมูลต่างๆที่เรารับมาตั้งแต่เช้านะคะ่ะออกไปแล้วก็หลับได้สนิทขึ้นหลับอย่างมีคุณภาพขึ้นนะคะเมื่อเรานอนหลับได้สนิทขึ้นมันก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็สมองที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะก็อันนี้ก็มาแบ่งแลกเปลี่ยนนะคะโปรแกรมที่เอาไปใช้ในบริษัทจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็น in and out คลิปอ n นแอนด์ก็คืออยากให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าอะไรที่เรารับเข้าไปเนาะอาหารอากาศอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องเอาออกะคะอันนี้อาหารกินเข้าไปเนาะย่อยเสร็จไปไหนคะออกมาเป็นอะไรคะอาหารกินเข้าไปเป็นอึอเนาะอันนี้อากาศ หายใจเข้ า, ม, า, ข า, า ม, มีใครหายใจเข้าอย่างเดียวไหมคะมีใครหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกไหมคะหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกใช่ไหมคะอ่าเรื่อง emotion, อารมณ์ความคิดสร้างอารมณ์ค่ะเสร็จแล้วมันก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะอินเข้าไปเรื่อยๆเก็บสะสมสะสมสะสมเข้าไปแล้วก็เป็นอยู่ในอัดอั้นอยู่ในใจเรานะคะ รอวันระเบิดก็กลายเป็นขี้ต่างๆนะคะเช่นขี้โมโหขี้งอนขี้น้อยใจนะค ะ, ะโปรแกรมเช็คอิดออฟของเราเนี่ยก็จะช่วยเรื่องอีโมชั่นดีท็อกได้ค่ะโอเคพอได้ไอเดียแล้วเนาะมีมีคำถามไหมคะอยากถามอะไรมีใครอยากถามอะไรคะดูดูอินมากเลยดูนิ่งกันหมดเลย ม, มีใครอยากถามอะไรคะไม่มีนะคะโอเคก็คือพี่ส่วนตัวพี่พิยาเองเนี่ยพี่นำโปรแกรมของพ่อครูแล้วก็วิถีของพันคอยเนี่ยคะ่ะนำไปปฏิบตัติจนตอนนี้กลายเป็นความประพฤตินะคะทั้งครอบครัวพี่เองก็ปัดทำเช็คแอนแดนทุกวันก็คือเช้ากับเย็นทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่ออฟฟิศก็จะทำเช็คอิดออฟแล้วก็ สลิปคินกู d ดไนท์กันนะคะส่วนระหว่างวันเนี่ยเราก็จะทำวันมินิอย่างของพี่เนี่ยจะทำทุกๆชั่วโมงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เราไม่ทันอารมณ์อะคะ่ะแล้วก็ทุกวันเนี้ยมันมีข่าวสารข้อมูลมากมายมันทำให้เราเครียดนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัววันมิ t e ก็สามารถช่วยได้ทำทุกทุกชั่วโมงก็ทำให้เราสามารถเคลียอารมณ์ได้ทันแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ เพื่อที่วันหนึ่งเราจะต้องเตรียมพร้อมไม่มีใคร อ, อ, อยากประมาทกับชีวิตเนาะไม่มีใครรู้นะคะว่าเราจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันไหนเมื่อเราจะเป็นลุงวิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันไหนเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยการเช็กแอนแดนซ์เนี่ยค่ะเอาอารมณ์ออกแล้วก็เคลีย ให้มันออกทันทุกทุกวันเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพขึ้นนะคะส่วนครอบครัวพี่เองเนี่ยก็มีลูกสาวอายุ15แล้วก็ลูกชาย10ขวบก็เช็คแอนด์แดนทุกวันแล้วก็สามีก็ทำพร้อมกันทุกวันนะคะก่อนนอนก็ทำให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงมากอย่างอย่างพี่ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยออพอเราเริ่มอายุ40ใช่ไหมคะมันก็จะมีผู้หญิงก็จะมีอาการกอกแก๊กกอกแก๊กที่เขา่า ทุกคนก็จะเป็นนะคะเดินแล้วก็แก๊กก็แก๊กเช็คแนดเนี่ยพอทำสักผ่านไปสักปีหนึ่งอะคะ่ะอาการพวกเหล่านี้มันก็จะหายไปแข็งแรงขึ้นนะคะอ่าแล้วก็มีเคสอีกอันหนึ่งที่พี่ใช้ในการดูแลพนักงานก็คือรักษาโรคไมเกรนนะคะเรามีคนเป็นไมเกรนค่อนข้างเยอะประมาณ 3-4 คนในองค์กร เราก็เลยมาทดลองกันเลยค่ะใช้เวลาแค่สาอาทิตย์นะคะมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อน้องไก่นะคะอยู่ผแผนกบัญชีเขาเป็นไมเกรนมา7ปี7ปีเลยนะคะเป็นมา7ปีแล้วก็ต้องกินยาทุกวันนะคะ mm hmm. ก็เลยให้ทดลองใช้โปรแกรม Check and d a n ด e รักษาค่ ะ, ะก็หยุดยานะคะแล้วก็ Check and d a n ด e เนี่ยวันละ2รอบก็คือที่ออฟฟิศ นะคะครึ่งชั่วโมงกับก่อนนอนครึ่งชั่วโมงผ่านไปแค่2วิสเท่านั้นนะคะน้องเขาหายจากอาการไมเกรนนะคะแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ4ีิกหเนี่ยหายขาดคือไม่ต้องกลับมากินยาไมเกรนอีกเลยนะคะแล้วก็พี่ก็เลยให้เขามาแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายนะค ะ, ะเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเสียเงินค่ารักษาไมเกรนเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 72,000 ม0บาทนะคะก็คืออาทิตย์ละพันสี่ ตรงนี้เช็ k แอนแดนก็จะตอบโจทย์ช่วยเราเรื่อง h a ปป y m มันนีด้วยคือช่วยลดลดค่าใช้จ่ายเราได้อย่างชัดเจนมากๆจากการที่เราต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อยาหรือไปซื้อสุขภาพแต่เราสามารถทำด้วยด้วยตัวเราเองได้คือการดูแลสุขภาพด้วยเ h ็ k e อน d ดนนะคะก็ฝากประสบการณ์อันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณครู ก, ก้อยด้วยค่ะ ต้องเสริมคุณยานนิดนึงเพื่อเอินตอนนี้ตัวเองกำลังดูแลเรื่องสุขภาพเยอะและจริงๆอาหารคร่ะเพราะครูคุณหมอคนหนึง่งจบ k h i r o p r a c t i c แล้วก็ทั้งปินยาตรีปินยาโทนะคะเป็นหมอที่ดังพอสมควร <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพคุณครูก้อยด้วยคุณหมอจะบอกเลยว่าคุณครูก้อยคุณครูแกวคุณรู้ไหม สิ่งที่เป็นอาหารสำหรับไข่ข้อข้อต่อของเราอะฮะจอยต่างๆของเราอะค่ะพอเมื่อกี้คุณยาพูดมาก็เลยึขึ้นได้ก็เลยเสริมว่ามันคืออะไรเหมือนที่คุณยาบอกเราอายุเริ่ม40หัวเข่าจะเริ่มกรอบแก๊กไอ้แค่ขึ้นบันไดแค่ตรงนี้ครูก็ยังดังกรอบดังกแกร็บเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูคุณคุณ ห, หมอดูแลทฤษฎีของเธอที่เธอจบไครโรมาก็คือหัวเข่าขยับ การขยับค่ะพ่อครูการขยับของไข่ต่ อ, ข, อข้อต่อและจอยทุกข้อคืออาหารของมัน อาหารของมันอย่างไรนะคะคกูก้ชอบฟังเลคเชอร์ูเราไปหาหมอนี่หมอต้องเลคเชอร์ให้ฟังนะคะชอบมากเพราะเป็นคนชอบฟังชอบรู้นั่นก็คือการเคลื่อนไหวค่ะว้าหย้อนขอเข่าในใครปวดข้อเข่านะคะนั่งเก้าอี้สูงๆที่ดีของคุณหมอคนนี้นะคะนั่งสูงๆแล้วก็ทําเท้าอย่างนี้ค่ะห้อยไปห้อยมาเลือดนะคะเลือดต่างๆมันจะไปเลี้ยงที่ข้อเข่านะคะข้อต่อทุกต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกูใกล้ลองตัวเอง นะคะเคยบอกลูกน้องเวลาทำเช็คกิ้งเช็คแอนด์แดนใช่ไหมเหมือนกับคนไม่มีกระดูกอะค่ะเพราะคือนะค ะ, คนะคะทำไปเลยเหมือนกับคนไม่มีกระดูกตัวเองลองเองลองเองเมื่อ3ามอาทิตย์ที่แล้วทําเหมือนตัวเองมีกระดูกเลยแล้วก็ไปหาคุณหมอนะคะให้เขาจัดกระดูกปะลักลกรเท่าที่ง่ายมากและรีแลกต์มากเลยค่ะ ะะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเป็นวิทยาทานอีกอย่างหนึ่งว่าการเช็คกิ้งนี่แหละค่ะให้ครูก้อยไปพูดที่ไหนหรือว่าเป็นไป share, แชร์ทในการจัดงานของพาอครูก้อยก็ยินดีเพราะว่าการที่ตัวเองเนี่ยนะคะเช็คกิ้งบ่อยๆเยอะๆหัวเข่าไม่ปวดนะคะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเช็คแล้วทําไมหัวเขาไม่ปวดอ๋อไอ้เลือดน้ําเลือดน้ําหนองที่บอกว่าน้ําหายข้อหัวเข่าเหลือแต่หัวเข่าเหลือแต่กระดูกสีกันอะไรลักษณะนั้นเป็นพราะน้ําในหัวเข่าเราอะสึกและน้ํามาจากไหนก็คือน้ําเลือดแล้วก็เส้นเลือดเลือดของเราที่ต้องไปหล่อเลียงนะคะพอมันขยับเข้านะคะมันก็จะมีเลือดเข้ามาสู่หัวเข่าของเรานะคะนี่ก็คืออาหารของข้อต่อทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าง คุณยามมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราครั้งนี้นะคะคุณครูก็จะรู้แล้วว่ามีประโยชน์เพราะว่าพวกเราคนเคบีทีทุกคนชื่นตื่นเช้ามาต้องเช็คแอนด์แดนกี่นาที20นาทีหรือ10นาทีเป็นอย่างน้อยนี่คือชีวิตวิถีชีวิตของเราตอนเย็นก่อนเลิกเลิกงานสี่โมงครึ่งสี่โมงสีสี่โมงสเช็คกิ้งเช็คแอนด์แดนรอบหนึ่งเอาขยะออกก่อนกลับบ้านที่นี้เติม ะะเราได้คุณยามาแชร์แล้วคุณเมื่อกี้คุณยาพูดว่าเราคงไม่อยากเป็นอย่างลุงวิศวะใช่เลยค่ะครูก้อยก็ไม่อยากโฆษณาโรงเรียนดวงนังสือพิมพ์ค่ะเพราะอะไรครูตีเด็กค่ะเพราโขโฆษณาโดยไม่รู้สึกตัวไม่ต้องไม่ต้องมาโฆษณาให้พี่ก้อยไม่ต้องรักพี่ก้อยขนาดนั้นนะคะทํายังไงเอาขยะออกในขณะที่อยู่ กับนักเรียนและขยะออกในขยะในขณะที่กลับไปบ้านเจอสา ม, มีหรือภรรยาเท่านั้นแหละค่ะมันก็คือการคืนความสุขให้กับครอบครัวการสแสวงหาความสุขทั่วชีวิตซึ่งพอพี่ได้เครื่องมือนี้มาแล้วพี่รู้ว่ามีประโยชน์ ะะและได้ยินแบบได้เพราะครูเป็นครูบาอาจารย์นะคะยิ่งจะมีคนนําทางให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้คุณยางมาแชร์ก็อยากเสนอให้กับคุณครูที่นั่งอยู่ตรงนี้พนัก ง, งานทุกคนลองสิคะสอนหนังสือเด็กไม่ว่าเราบ้าหรอกคะ่ะเวลาเราสอนหนังสือคิดเคียดๆลุกขึ้นมาข้างโต๊ะเช็คกิ้งหนึ่นาทีตั้งนาฬิกาดูนาฬิกาไว้พอเช็คกิ้งแล้อารมณ์ดีอนักเรียนสอนต่อค่ะโอ้โหอย่างนี้คงจะดี นะคะเอากลับไปพิจารณาพวกใหนครูใกล้พิจารณาเห็นแล้วว่าดีก็จะออกว่าต้องทำนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> ก็เลย <laughs> ไม่บังคับค่ะลงไปเช็คกิ้งเดี๋ยวซัมเมอร์นี้เราลองหนึ่งเดือนนะคะสอนสอนหนังสือเด็กเข้ามาใหม่สอนแล้วสึกเครียดจังเลยนะคะเรียนก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ไปเช็คกิ้งซะก่อนเช็คหน้าห้องสักหนนาทีตอน1่ชั่วโมง1ชั่วโมงสอนเสร็จนะคะ ก็เช็คกิ้งกันสักที1นนาทีแป๊บเดียวนะคะแล้วลองดูสิว่าเราจะมีอารมณ์ดีไปครูก็เชื่อแน่ค่ะว่าดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นลองวันนี้เราได้ประโยชน์คุณยามาให้ประโยชน์กับเราก็ต้องนําเอาสิ่งที่มีประโยชน์ในบริษัทคุณยานํามาใช้เราไม่ได้กอ py ีแต่เราเอาสิ่งที่มีประโยชน์แช่กันวันนี้นะคะทุกก็โชคดีอย่างนี้ค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาทีไรได้ของฟรีทุกทีและของฟรีเหล่านั้นก็มีประโยชน์กับโรงเรียนเราและชีวิตเราของทุกๆคน เพราะฉะนั้นลองดูนะคะวันพราครูจะอยู่กับเราวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธพอพิหัสพวกเราต้องอบรมใช่ไหมอบรมแค่นิดอบรมอันอื่นอบรมโฟนนี่กาลังอบรมอยู่เครียดเียบอกอาจารย์ที่อบรมอยู่มเาเชิญหยุดหยุดหยุดขอเช็คกิ้งหนึ่งนาทีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญพระครูตอบคาถามนะคะบนเวที คุยกับพี่ก้อยก็คุยได้ทั้งวันเนาะใช่มั้ยคะฟังพี่ก้อยพูดได้ทั้งวันนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ก้อยไมันนี้ลงไปเดี๋ยวพ่อครูตอบคำถามในที่เขียนโน้ตมาและใครอยากจะถามสดถามเลยนะคะก็เมื่อกี้นี่เห็นโปรแกรมเช็ค แ d นแดนซ์วันมินิของพิยานะก็ไปและลึกถึงทางาศาสนาอิสลามเขาไปทำงานที่ไหนก็ช่างเขาต้องละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งนะคือช่วงวันช่วงระหว่างวันที่เราทำงานเนี่ยบางทีเราเผลอปุ๊บแล้วก็ดูดอารมณ์เข้ามาเห็นไหม การละหมาดเป็นการดึงเราออกจากอารมณ์นั้นไปสงบสติอารมณ์นะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเพราะครูกพิพี่นาวันมินิทเนี่ยแล้วหนะลังจากพิยาส่งไปให้ว่ามีประโยชน์นะถ้าเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยนะต่อเนื่องดีกว่าปีหนึง่งไปเข้าคอร์สสิวัน15วันเอาจริงจังแลกลับมาไม่ทำเลยเหมือนเราอาบน้าแล้วปุ๊บเราก็ไปทาให้มันเปื้อนอีก แต่ถ้าเราเทน้ําออกบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยอันนี้มันง่ายกว่าแต่ต้องต่อเนื่องนะยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งเนี่ยก่อนจรเช้าเนี่ยที่นี่งอยู่แล้วเช็คแอนด์แดนเราเข้าไปห้องเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนนี่สภาวะสิ่งแวดล้อมโรงเรียนน่าจะทําได้เมื่อเรียนไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเบรกไม่ใช่คุณครูทำนะนักเรียนในห้องกับคุณครูช่วยกันทนํานวินหนึ่งนาทีเหมือน เช็คอนะัพโยมัยแดนเซอร์ไซปลดปล่อยหลายปีก่อนมีสตีท่านหนึ่งอยู่สมุทรสาครโทรไปที่ศูนย์บอกว่าวิธีไปศูนย์ทำยังไงนะเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ก็บอกว่าถ้าคุณเดินทางมาตอนนี้มาถึงกลางดึกอะไรบอกว่าบอกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกบ้านเดี๋ยวนี้มีอย่างเดียวคือฆ่าตัวตายเขาขาดสตีแล้วเขาก็ไปจริงๆนะแล้วพอไปถึงที่นู่นเนี่ย พะกูเห็นอารมณ์เขาแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเยียขาเขาถูกครอบงำหมดนะบางเอิญก็เปิดให้เช็คแอนด์แดนซ์เขาขึ้นแรงมากผ่านไปแค่30นาทีเนี่ยอารมณ์ที่เขาจะฆ่าตัวตายหายหมดเลยอย่างคนเราจมอยู่คิดสั้น่คิดไม่ไม่ไม่ออกเลยมีทางเดียวคือตายดีกว่าเมื่อเราไปสั่นเขาเนี่ย ตื่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขาหลุดออกจากอารมณ์นั้นน่ะเขาจะถามว่าเขาเป็นอะไรบางทีโรคอุปทานเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับกยายภาพเลยเห็นไหมถ้ารักษาทางวิทยาสตร์การแพทย์ก็ให้กินยานอนหลับยาสลบคือให้มันลืมอารมณ์นั้นนะถ้ามันข้ามอารมณ์นั้นสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนะแต่พึ่งยาบ่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ดีมันจะไปทําลายระบบประสาท จากจิตหลอนกลายเป็นประสาทหลอนนะเมื่อกี้พี่ยาก็เกินอยู่ว่าลูกน้องในบริษัทคูก้อยก็บอกพ่าครูอยู่คุณครูตอนนี้พึ่งยาน้อยมากถ้ารักชาติรักแผ่นดินทำให้ตัวเองแข็งแรงเถอะเราก็ไม่เป็นพาละเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยไม่ต้องไปกินยาซื้อยาฝรั่งนั้นเนขาดดุลการคา้าเห็นไหมรักชาติต้องทาให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรง นะอย่าเป็นภาละของบ้านเมืองแล้วเราจะได้มีส่วนเกินที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะแบ่งปันนะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่พออยู่พอกินพอใช้นะเ ร, เ, เราต้องมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันเราถึงจะเป็นมนุษย์ผู้ perse ดนะไม่ใช่แค่พออยู่พอกินพอใช้โอ้ยอย่างนั้นไปเป็นลิงไปเป็นทาสานไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทางานไม่ต้องมีเจ้านี้ลูกนี่ไม่ต้องเครียดก็อยู่ได้ แต่ถ้าอยู่แบบนั้นก็ได้ใช้นี่กรรมชาติหนึ่งมันไม่มียิ่งใหญ่อะไรเลยเราต้องมีส่วนเกินเพื่อแบ่งปันเพื่อสร้างอริยทรัพย์นี่คือความหมายของการเกิดนะก็พวกครูเปลี่ยนชีวิตเพราะสิ่งนี้28ปีและ28ปีค่อยเป็นเศรษฐีตัวจริงสมัยก่อนเป็นแค่คนรวยเป็นแค่คนรวยรวยเพราะว่ามีเยอะ แต่มันก็ไม่พอไงมันอยากจะรวยขึ้นแต่หลังจากจิตเข้าถึงสภาวันนั้นแล้วเนี่ยเรารู้จักพอเพียงเราจึงมีเพียงพอ28ปีเป็นผู้ให้นะเป็นเศรษฐีละนะเศรษฐีต้องเป็นมีส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันนั่นคือความสุขนั่นคือความยิ่งใหญ่นั่นคือความภาคภูมิใจนะคือคนอื่นไม่รู้ช่างเขาแต่ว่าการให้เนี่ย มันก็เบาไงบุญคือเบาบาปคือหนักนะนี่ก็ต่อยอดออที่พี่ยาพี่สวยให้ให้ให้ให้ข้อคิดอะไรเนี่ยนะคือถ้าสิ่งนี้บางทีเราพูดในมุมมุมลบนะถ้าคิดว่าอุปสรรคเราเรียกว่ามุมลบทุกแนวก็มีขั้วบวกขั้วลบและสิ่งนี้เนื่องจากมันแรงมันเร็วมุมลบก็แรงก็เร็วเหมือนกันมันเป็นของคู่ อย่าไปพูดมุมบวกแต่ไอ้ที่ว่าลบในที่นี้เนี่ยถ้าในทางฝึกจิตวิญญาณแล้วมันไม่ได้ลบมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มารไม่มีบรารมีไม่เกิดถ้าในทางโลกถ้าเราสุขปุ๊บเราบอกมุมบวกถ้าเราทุกปุ๊บมุมลบแต่มุมลบในทางโลกทุกนี่กลายเป็นมุมบวกของทางธรรมไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม ถ้าเราหลงเราเลงกับความสุขนะความสุขที่เขาสมมติว่าสุขเราพอใจมันเนี่ยชีวิตเราก็เออเราเหยตายเปล่าไปชาติหนึ่งถ้าเราเห็นทุกข์แล้วนั่นแหละบุญกุศลที่สร้างมาเริ่มทำให้จิตเราเนี่ยเห็นทุกข์ทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นอารมณ์ถุกอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีใจเสียใจเนี่ย อารมณ์เนี่ยมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนถ้าเราปลุกเราเองตื่นตลอดเวลาเราเห็นอารมณ์ตลอดเวลานะอารมณ์มีประโยชน์อารมณ์ดีก็มีประโยชน์อารมณ์ไม่ดีก็มีประโยชน์คือมันทำให้เราเห็นนะเราเห็นทุกข์แต่เราอย่าไปทุกข์กับมันเพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไปย้ำคิดย้ำทำ ไปยอมรับอารมณ์นั้นนะเมื่อกี้นี้พี่ยาก็เป่งออกมาคำหนึ่งว่าความคิดสร้างอารมณ์ถูกแล้วความคิดในทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่ามาโนกรรมเมื่อเราสร้างกรรมเราต้องยอมรับกรรมนั้นทีนี้ก็ไปตรงกับนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเดการ เขาเคยพูดว่า I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวตนเเราคิดดีเราก็มีอารมณ์ดีเราคิดไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่ดีเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่เราก็ยิ่งใหญ่เราคิดกลัวเราก็กลัวความคิดสร้างอารมณ์สร้างตัวตนขึ้นมาทีนี้ทั่วโลกก็เอาปัชญาตัวนี้มาใช้ก็เลยแก้ปัญหาโดยแก้ที่ความคิดเนื่องจากความคิดเป็นตัวสร้างอารมณ์เราก็เลยคิดบวกกัน คิดบวกกันหนังสือคิดบวกขายดีที่สุดคิดแล้วรวยนะอะไรเนี่ยเห็น ไ, ไหมเราเอาความคิดนะเพื่อกระตุน้นกระตุ้นพลังให้มันสู้นะเราแก้ด้วยความคิดความ ค, คิดบวกก็เราสร้างอุปทานในฝ่ายในฝ่ายดีเนี่มะกบเกินฝ่ายไม่ดีมันก็เหมือนยากแก้ปวดหัวนะ ฤตยามันหมดมันก็มันก็เหมือนเก่าจริงๆแล้วเราเราเร า, เราแก้โดยไม่ต้องคิดลบแล้วก็ไม่ต้องคิดบวกนะทีนี้แก้โดยยังไงเขาบอกว่า I think t h e r e for i am เรากลับกัน i am t h e r e for i t i n k เนื่องจากมีตัวเรามีผู้คิดเราจึงคิดเราจึงแก้ที่ตัวเรานะถ้าเราค่าอัตราเราทิ้งซะ ไอ้อัตตาที่มันชอบคิดทิ้งซะแล้วใครจะเป็นคนคิดนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าดับทุกขดับที่ต้นเหตุแห่งทุกตอนนี้ทุกอย่างไปดับที่ปลายเหตุหมดมันดับได้ชั่วครู่สร้างอุปทานใหม่ความสนุกสนานความพอใจเพื่อกบเกินความทุกเท่านั้นเองนะที่เขาบอกว่าไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเมื่อท่านใดเริ่มเห็นทุกแล้วเกิดวิกฤตทางชีวิตแล้วเนี่ย จงอย่าเสียใจนะจงคิดว่าเป็นโอกาสของเราแล้วเรากาลังจะเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตสัจธรรมตัวหนึ่งและเป็นตัวเดียวเป็นความจริงอย่างเดียวซึ่งเป็นประธานของสัตว์โลกก็คือทุกข์พระพุทธองค์ตรัสลูอริยะสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมักเรามีทุกข์เป็นประธานนะ เกิดมาวันแรกก็ก็ก็ร้องไห้ล่ะสมุทัยคือตัวตันหาคือเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือหนทางประสู่การพ้นทุกข์มิตรพูดเรื่องทุกข์ไม่ได้เพื่อนพูดเรื่องสุขเรื่องสุขมีที่เดียวเท่านั้นที่พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ไม่ไม่ใช่นิพพานมีทรัพย์สินมากมายนะ นิพพานคือมันดับความทุกข์ได้แล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์มันต้องเห็นทุกข์จนสุดท้ายมันดับทุกข์นั้นได้แล้วเนะี่ยนั่นแหะคือความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ถาวรแล้วทุกท่านมีอยู่แล้วทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาเขาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ก็ฝากต่อเติมที่คุณโวยพิยา ได้ได้มาให้ข้อคิดนะครับก็ตอนนี้มีสองคำถามเนาะเรียนสอบถามการที่พระสงฆ์ถือว่าตนเองเป็นผู้ทรงศีลและนำคำสอนของพระพุทธองค์มาสอนไปในแนวทางที่ผิดบอกว่าการทำบุญมากๆด้วยปัจจัยเงินทองสูงสูงซื้อของแพงแพง ซื้อคอนทอดซื้อซื้อคอนตอก ต, ตอกตบซื้อคอนตอกบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์เกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาเสวยทิพยายานมีความทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ถือว่าเป็นจิตอกุศลหรือไม่ครับเพราะการทำกายจิตให้บริสุทธิ์นั้นคือการหลุดพ้น จากกิเลสแล้วเข้าสู่นิพพานถูกต้องหรือไม่ครับกรรมคือการกระทาปัจจุบันก็ยังหาตัวคนตัวตนของคนนั้นยังไม่เจอครับคําถามคือที่เขาสอนแบบนั้นจิตเป็นอกุศลหรือไม่คําตอบคือกรรมชี้เจตนาอย่าไปจับเรื่องเล็กๆใน้อยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้ยกตัวอย่างว่า ถ้าพูดถึงเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือพ้นทุกเนี่ยแลหละหลักการมันคือดับทุกขแต่ทีนี้บางทีเราเราเป็นครูบาอาจารย์เราสอนเด็กประถมเนี่ยเราจะพูดภาษาด็อกเตอร์ได้ไหมเขาจะเข้าใจหรือเปล่าบางทีเราก็ต้องมีอุบายหลอกเด็กว่าลูกเออเป็นคนดีนะเดี๋ยวจะได้ขนมอันนี้เขาก็ทําแบบนั้นครับแต่ชิวิวที่เจตนาที่เขาทําแบบนั้นนะ่ะลึกๆจริงๆเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนนะั่น มันเป็นเรื่องของเจตนาของเขาดีที่สุดถ้าจิตเรายังไม่เข้าถึงตรงไหนเนี่ยนิ่งเฉยตำลึงทองนะพราะครูเคยเตือนทุกคนว่าอย่าแย่งงานยมพบาลทำเผลอตกนรกไปเนี่ยยมพละยมพบาลเอาตายเลยในฐานะแย่งงานเขาทําและในทางโลกเราก็ไม่ใช่ศาลนะไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราเราดูปุ๊บเราก็มาเตือนสติเรานะเราต้องแยกแยะ ว่าเออมันควรไม่ควรถ้าเรามีปัญญาเราก็รู้บอกว่าเอออันนี้เป็นแค่ขั้นต้นนะเหมือนเขาหลอกให้เด็กเป็นคนดีนั่นแหละไอวิชานี้ครูบาอาจารย์วัดป่าเราก็เคยสอนแต่ไม่สอนขึ้นสวรรค์นนะท่านสอนให้เราเป็นคนดีก่อนเมื่อเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราไม่ชั่วแล้วเนี่ยเขาก็ให้ป่อดสอนให้เราปล่อยวางความดีสักใช่ไหมเพราะเราดีแล้วเราไม่ชั่วแล้วก็ปล่อยวางถ้ายังติดดีอยู่มันก็ไปไม่ได้ นะแล้วเขาสอนให้เราเพิ่มความเพียรเมื่อเราเป็นคนขยันแล้วเราไม่เราไม่ขี้เกียจแล้วทีนี้เขาก็กลัวว่าเราจะติดขยันสุดท้ายท่านก็สอนเราว่าปล่อยวางความเพียรซะแม้กระทั่งความเพียรไปติดมันปุ๊บเนี่ยก็แบกติดอะไรก็คือหลงในมักมีองแปดความเพียรก็ต้องชอบความเพียรชอบคืออะไรคือพอดีนี่คือมัชชิมาปฏิปทา ส่วนสายนี้ใช้เทคนิคตรงนี้สายนี้ใช้เทคนิคตรงนี้บางทีเขามุ่งเน้นสอนเด็กอนุบาลเด็กประถมสำคัญที่เจตนาของเขาเนี่ยจะหลอกลวงไหมนั่นะค น, คนอื่นไม่รู้จิตเขารู้เองนะครับบ้านเมืองลดทิฏฐิมานะนี่ลงหน่อยหนึ่งเราเห็นแล้วก็เราเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็เราเ ร, า ร, าวราะ ว, ราราวังตัว เ, เป็นดีแล้วนะเห็นเขาเพื่อมาเตือนว่าแล้วเราทำอะไรหรื อ, อยัง นะบางคนไม่มีเรื่องก็เปิดประเด็นว่าศาสนาอื่นเขาจะมาทำลายศาสนาพุทธไปพูดและไปด่าอะไรว่าเขามีแต่สร้างศัตรูเพิ่มและตัวเราเองก็ไม่เคยทำอะไรเพื่อจันโลงศาสนาเลยนะอย่าไปสนใจว่าคนไหนเนี่ยเขาบรรลุธรรมหรื อ, อยังเขาได้ระดับไหนมาสนใจว่าเราเนี่ยได้ระดับไหนเราทำหรื อ, อยังนะครับอันนี้พ่อคููให้ข้อคิดพ่อคูรู้อยู่ พอเป่งมาปุ๊บก็รู้หมายถึงว่าองค์กรไหนนะซึ่งมันกําลังมีเรื่องราวเนี่ยเรื่องนี้มีญาติยศธรรมหลายคนไปถามพรอครูพ่อครูก็บอกว่ากรรมชี้เจตนานะถ้าเราเข้าใจเราเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปร่วมสังฆกรรมเท่านั้นเองการเมืองเหมือนกันเมื่อเลือกแล้วคนนี้ไม่ดีปล่อยเขาลองทําดูข้างหน้าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเลือกนะครับ ลดการขัดแย้งลงมาอย่างอิสราเอลฆ่าปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ฆ่าอิสราเอลเธอฆ่าพ่อฉันก่อนเธอท้าปู่ฉันก่อนถ้าเถียงอยู่ตรงนั้นนะ่ะถ้าไม่หยุดนะลูกหลานเราต้องตายต่อไปสุดท้ายต้องจบอยู่ที่อภัยทานอโหสิกรรมอย่าไปลื้อฟื้นของเก่าถ้าในอดีตเรารู้เราก็ไม่ทำพอมันเผลอทำไปแล้วต้องอภัยทานต้องเปลี่ยนกรรมนั้นกลายเป็นอโหสิกรรมอย่าแบก กรรมนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับถ้าจิตมีปัญญาแล้วควรจะวางอันนี้คำถามที่สองนะพ่อครูเคยบรรยายไว้ว่ากรรมที่เราทำมันไม่ได้หายไปไหนแต่ได้ถูกเมมโมรี่ไว้ในจิตของเราซึ่ง ซิกมันฟลอยนักจิตวิทยาชื่อดังผู้คิดคน้นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้เคยกล่าวไว้ว่าจิตของเราแบ่งได้สามระดับคือ 1. จิตสำนึก c o n s ช i o u s ตคอนชไจิตก่อนสำนึกปร c คอน s ชสไมหรือซั c ค o u เชสไมจิตไร้สำนึกอันคอน s ชสไม ซึ่งทั้งสามระดับเปรียบเสมือนไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็งก่าวคือจิตสำนึกคือส่วนที่อยู่พ้นน้าจิตก่อนสำนึกอยู่ใต้ผิวน้านิดหน่อยและจิตไร้สำนึกคือส่วนที่อยู่ใต้สุดของภูเขาน้ำแข็งซึ่งยากที่จะหยั่งถึงอยากทราบว่าจิตที่เมมเบรรี่กรรมของเราไว้นั้น คืออันเดียวกันกับจิตไร้สำนึกใช่หรือไม่ครับหรือมันลึกซึ้งกว่านั้นครับนะครับอันนี้เขาแบ่งคร่าวๆเป็นสามระดับนะจริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี่ยในตำราพุทธศาสนาคือมันมีแบ่งเป็นร้อยดวงคำว่าดวงไม่ใช่ดวงนะมันหมายถึงเป็น120อารมณ์อยู่ตรงนั้นนะ เพราะครูเคยพิจารณาเนี่ยร้120ได้ไหมหรือ122ยได้ไหมทไมร้อยยี่สิบเอนะก็จิตมันก็ตอบเช่นนั้นเองนะก็ซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือจิตสำนึกที่เราบอกว่าเราปลูกจิตสำนึกเด็กๆ เ, เราสอนเขาลูกเป็นคนดีนะนะเราปลูกสำนึกบางทีก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาบ้างในขณะผู้ใหญ่สมมติะทะเลาะให้เขาเห็น กินเหล้าให้เขาเห็นแล้วก็บอกว่าลูกกินเหล้าไม่ดีนะทะเลาะกันไม่ดีนะมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาที่ศูนย์พระลาน่อยตอนนี้เราสอนโดยปลุกปลุกจิตสำนึกที่เขามีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นไม่ใช่ไปปลูกฝังนะยุคนี้ปลูกฝังถ้าเราไม่มีจิตวิทยาเทคนิคชั้นสูงแล้วเนี่ยเราจะสู้กระแสโลกไม่ได้สิงเล้าใจไม่ได้นะครับนี่แหละวิปัสสนาคาถามไอ วิจาสณาคือคำตอบเราต้องปลูกสำนึกเขาขึ้นมาถ้าคุณครูทำ บ, าบ่อยๆเด็กๆ ก, ก็ทำ บ, า บ, บ่อยๆนะไอๆไอวันมินิทเนี่ยนะทีนี้ถ้าทุกบริษัทห้างร้านทำอย่างนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลางานแค่สองนาทีครึ่งเช้า4ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงปุ๊บให้หนึ่งนาทีขึ้นมาเช็คเช็คแอนด์แดน ตอนเที่ยงหยุดเที่ยงก็เป็นเวลาส่วนตัวชวนตัวรักชีวิตตัวเองก็เช็คแอนด์แดนหนึ่งนาทีใช่ไหมก่อนทํางานตอนบ่ายก็1นาทีทีนี้ทํางานไปครึ่งบ่ายในย2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ดึงออกามาจากอารมณ์เหล่านั้นเราก็มาเช็คแอนด์แดนก็คือมาสลัดอารมณ์ต่างๆเหมือนถ้าเราอาบน้ําทุกวันเนี่ยนะมันก็มันก็ชำระง่ายแต่ถ้าเราทิ้งมว้นานๆเนี่ยมันหาตืหรือก็ต้องใช้เวลาชําระนานหน่อยหนึ่งในขนาดอาบทุกวันปุ๊บมันก็ยังเปื้อนอีก อาบตุ้ยังเปื้อนอีกจิตเราก็เหมือนกันนะร่างกายอาบทุกวันก็เปื้อนใช้ว่าทุกวันนะหนึ่งวันแต่จิตเราเปื้อนทุกวินาทีคิดปุ๊บเปื้อนละได้ยินปุ๊บคิดปุ๊บเปื้อนละนะมันเปื้อนเลยมันดูดอารมณ์เข้ามาอารมณ์ดีก็ทำให้เปื้อนอารมณ์ไม่ดีก็ทำให้เปื้อนถ้าเราฝึกถึงขั้นสัตวารู้สัตวว่าเห็นสัตแต่ว่าได้ยินสัตแต่ว่าได้กลิน่น สักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ากระทบภาษานั่นแหละเราปลอดภัยมันไม่เข้าไปข้างในหลายท่านพิสูจน์ตัวเองนะเวลาไปดูภาพยนตร์ตลกหรือเขาแสดงแสดงตลกกันถ้าเราอินปึ๊บเราดูดเราตลกกับเขาเลยอารมณ์ตลกเข้ามาแล้วถ้าเราไปดูภาพยนตร์เศร้าเราก็เผอเศร้าไปกับเขาอารมณ์เข้ามาแล้วนั่นเปื้อนแล้ว นั่นถือว่าเราอยู่ภายใต้อารมณ์เราขาดสติสติที่เรามีอยู่เวลานั้นมันขาดมันสู้อารมณ์เหล่าเ่านั้นไม่ได้ที่เราโกรธเราโมาโหก็เพราะเป็นเพราะสิ่งนี้นะครับส่วนคําถามนั้นน่ะจริงๆแล้วสมมติว่าเราทําอะไรบ่อยๆในชาตินี้ก็ติดเป็นนิสัยแล้วทําบ่อยๆ อ, อีกก็ติดเป็นสันดานนะ อันนี้อยู่ที่จิตสำนึกปัจจุบันพอเราตายปั๊บปุ๊บเนี่ยมันมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเกิดมาปุ๊บมันตามมาเป็นอนุใสนิสัยว่านิสัยนะมันพัฒนาไปสู่สันดานมันจนติดเป็นเป็นแล้วพอตายปุ๊บกลายเป็นอนุใสเป็นของละเอียดอ่อนเลยอยู่จิตใต้สำนึกเรานะ ที่เราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยไอ้โปรแกรมเหล่านี้เนี่มันจะไหลออกมาแต่ถ้าเราคืนมันหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถกลับคืนสู่จิตประพัทสรของเราที่มันจํานวนมากๆนั่นแหละจริงๆแล้วไอ้ที่เรามีเรื่องมีราวเนี่ยมันแค่ไม่ได้เยอะนะแต่มันเยอะมากๆแหละแต่ว่ามันเทียบกับจิตเดิมเราที่เป็นประภัทสอนอ่ะอันนั้นเยอะมากอันนั้นจิตไร้สานึกมันอิสระจากสํานึกทั้งปวงทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็อกุศลนั่นคือจิตอิสระ นะเพียงแต่ว่าพูดเรื่องจิตก็พูดคร่าวๆได้แค่นี้อย่าไปลงรายละเอียดนะยิ่งพูดมากปุ๊บมันจะทําให้เรามันยิ่งหยาบขึ้นเพราะภาษาเราหยาบเกินไปที่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะในสายพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องนี่บอกไวเตือนเราว่าอย่าเพิ่งเชื่อตาําราตํารามาในรูปของภาษาใช่ไหมรูปตัวอักษรพอเขียนลงไปปุ๊บมันหยาบแล้ว มันจะผิดเพี้ยนกับความจริงเลยแต่มนุษย์เราทาได้แค่นั้นแต่ถ้าไม่มีตำราไม่บันทึกเข้าๆเนี่ยเราก็พลาดโอกาสในการเรียนรู้นะแต่อ่านตำรารู้ปุ๊บเอาความรู้นั้นต้องไปสังเคราะห์ให้กลายเป็นความจริงด้วยตัวเราโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งตนเองไม่มีใครช่วยกันได้เราต้องเข้าไปเห็นเองนะครับเหมือนพระครูเข้าไปเห็นว่าอูยมันระเบิด มันสว่างไปหมดเลยมันเบาเบาเราได้ยินเรารู้เป่ามันเบากี่กิโลแล้วก็คาดคขณ์แอวเท่ า, าทนั้นเองเราต้องเข้าไปสัมผัสเองนะนะมันเป็นปัจจตังเวทิตะโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะักวิทยาศาสตร์ไป็นเสาสิวต้องพูดได้สิพูดได้ก็พูดได้พูดว่ายังไงนะอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรา อย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าเพิ่งเชื่อที่ทาตามตามกันมายกตัวอย่างว่าตอนนี้เมืองไทยยังมีสายวัดป่าคำจุนแก่นทาอยู่นะแต่ตอนนี้เทคนิคสายวัดป่าเนี่ยนะพป ก, กูก็โตขึ้นมาจากวัดป่านั่นแหละนะมันไม่ทันโลกลไม่ใช่ผิดพูะเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อทั้งที่ทำตามตามกันมามันไม่ทันยุคทันสมัยแล้วตอนนี้กิเลสมันขี่จรวด เรายังจะไปขี่คอช้างถือเงี้ยวถืองาวฟันดาบไปสู้กับเขาเนี่ยมันไม่ได้มันจะไปนั่งเกลียนอยู่เนี่ยมันไม่ทันกิเลสไงเห็นไหมเทคนิคในการฝึกจิตมันต้องเร็วกว่ากิเลสโปรแกรมนี้ถึงเกิดขึ้นนะบางคนถามว่าถ้าเราเรียกว่าเทคนิคมันก็เถอะไม่ใช่เทคนิคตายตัวมันวางเข้าๆแบบนี้แหละแต่ที่นี่เรื่องนาน า, น า, นานจิตตังแต่และคนกําลังอินทรีย์พร ะ, ะไม่เท่ากันนะ แต่ว่าทุกคนปฏิบัติด้วยกันได้เห็นไหมที่นี่มีทั้งไอคนเก่าแล้วก็คนใหม่เพราะครูไม่ได้แยกแยกคนใหม่อยู่ที่ไหนมาใหม่ใช่ไมไปามานั่งซีกนี้นะไปฝึก A B C ก่อไข่เขาไข่ไม่ใช่ไม่มีคนใหม่คนเก่ามาปุ๊บจูงแขนกันเดินทางด้วยกันเราไม่ได้ฝึกวิชาใดๆจังนั้นเรามาเดินทางด้วยกันทุกคนทาได้หมดส่วนจะทาได้แค่ไหนก็เป็นนานาจิตตาง ถ้าเราเข้าใจปัญญาตัวนี้เนี่ยเราอยู่กับใครก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครนะการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ทำให้ทุกคนเหมือนกันเท่าเทียมกันมันเป็นทฤษฎีที่โง่เขานะมันเท่ากันไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เหมือนกันล่ะปัญญาก็ไม่เหมือนกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเดินทางส่วนใครจะถึงช้าถึงเร็วมันเป็นเรื่องของ บุญวาสนาที่สร้างมาไม่เท่ากันนะวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราต้องยอมรับความแตกต่างยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นน้ำแก้วนี้เราใสายเทลงไปก็อยู่ข้างล่างเราน้มันเทลงไปก็อยู่ข้างบน เราเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมดอยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันทีนี้ถ้าไอ้น้ามันมันทะเลาะ ก, กับทรายมันบอกไอ้เจ้าทรายไปอยู่ข้างล่างโง่จังเลยไม่มีอากาศหายใจนะ ไอ้เจ้าซายก็บอกไอ้น้ำมันน่ะเธออะโง่ไปตากแดดทำไมอยู่ข้างล่างนี้เย็นดีเห็นไหมไอ้เจ้าเกลือบอกว่าไอ้สองคนน่ะละโง่เห็นไหมมาอยู่ตรงกลางเนี่ยดีที่สุดถามว่ามันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเห็นไหมหลวงพ่อชาบอกว่าถ้าตาบใดนกมันไม่รู้ว่าปลาอยู่ในน้ำได้อย่างไรนั่นเลือกทะเละ ก, กัน ส่วนมากเราเอาทิฏฐิมานาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความเชื่อตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มองเอาสายตาของเราเนี่ยไปมองคนอื่นนะความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์แล้วก็วิธีที่เราจะต้องไม่สร้างกรรมเนี่ยก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยยอมรับในความแตกตา่างโดยเฉพาะศาสนาเกือบทุกศาสนานะกมจะใช้ว่าเกือบทุกศาสนาเพียงแต่ว่าพุทธนี่เขาเน้นให้เรารู้ว่า ต้องยอมรับในความแตกต่างมันไม่เท่ากันตั้งแต่กําเนิดแล้วแต่คนที่เหนือกว่าเนี่ยถ้ามีปัญญานะต้องใช้โอกาสนั้นที่เราเหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่านั่นแหละคนที่มีปัญญาเราก็ได้สร้างกุศลไงหลายปีที่ผ่านมามีบางทียาิยธรรมใจดีนะก็เอามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเด็กยากจนที่นั่นเจ0รอคน ว่านั่งไปนั่งมาก็เห็นเด็กมั่นนอกแหละเนาะเขาเขาก็ไม่ขาดแคลนนั่นหละเขาก็กินแบบเยอะแยะเลยแกก็บ่นที่เล่นที่จริงว่าโอ๊ยตะกะจังเลยนะเพราะครูก็บอกว่าอย่าไปว่าเขารีบเอาธูปเทียนดอกไม้เนี่ยไปกราบเขาเ ส, สวยๆนะขอบคุณเขามากที่เขายอมรับทานเราถ้าไม่มีคนจนกูจะไปทำบุญกับใคร เห็นไหมทำบุญแล้วยังมีเงื่อนไขมันไม่ใช่บุญนะมันเป็นแค่กิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยเราไม่ได้อะไรเลยแถมไปพูดปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเป็นบุญกลายเป็นกรรมแล้วเห็นไหมบางท่านก็มาจากทางไกลอุ้ยสาลาเปื้อนจังเลยเอามาเอาถูถูถูถูก็ดีแล้วไงก็บ่นไปด้วยไอ้คนพวกนี้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่รู้จักช่วยท่านอะไรอะไเนี่ยความดีที่ทําเมื่อกี้นี่มันหายไปหมดเลย มันกลายว่าจีกรรมเพราะครูได้ยินบอกว่ามันนี่มนันนี่นะนะไปสืบดูแล้วว่าใครทำให้มันเปื้อนนะเราไปขอบคุณเขาซะถ้าเขาไม่ทำให้มันเปื้อนเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทำให้มันสะอาดหรือเปล่าคนฉลาดเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นนะถ้ามันไม่เปื้อนเราจะทำให้มันสะอาดได้ไหมแ ล, แล้วจะมีโอกาสได้ทำบุญไหมเนี่ยบุญถ้าเราฉลาดนะเราได้ทาบุญทุกวันเลย ไม่ต้องไปหาเงินแล้วก็ไปทําบุญเนาะครับก็เมื่อกี้มีสัญญาณเตือนนะเนาะพ่อครูไม่มีไม่มีม่มีขุย่ยมีแปรนะคือหยุดก็คือหยุดเนาะ เ, นเดี๋ยวโปรแกรมยังไงต่อไปเป็นนานาจิตตังค่ะพ่อครูครับเป็นนานาจิตตังอ๋อค่ะต่อไปนานาจิตตังเนา ะ, ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครพร้อมปุ๊บก็ปฏิบัติเลยใครต้องการไปห้องน้ําก็ไปเนาะไม่มีพิธีรีตองโอเคไหมครับ เดี๋ยวเพลงจะเริ่มเลยนะคะใครจะรห้องน้ําก็ไปเข้าเออใครจะเข้าก็เข้าใครไม่เข้าปุ๊บก็ต้องรักษาเวลาเรามีเวลาสั้นๆแค่สามวันเนา ะ, ะให้ตับตวงให้มากที่สุดนะครับนะท่านที่พร้อมแล้วยืนขึ้นครับพร้อมแล้วยืนเลยค่ะพร้อมแล้วยืนเลยค่ะ